ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ควางทั้งหลายแต่ลงประโุติยานในวันนี้คงเป็นบทสรุปในสัมโพชงทั้งเจ็ดประการหรือว่ากานตามความเป็นจริงทุกหมวดที่ทรงแสดงมาโดยลำดับล้วก็มาสรุปไปในแนวของวิปัสสนากรรมฐานทุกข้อ แต่วิธีการมองนั้นก็คือมองเข้าถึงความเป็นจริงที่เรียกว่ายะถาปูตะญาณทัศนคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเขาเป็น่เขาอย่างไงเราก็รู้เห็นอย่างนั้นและเราจะไปแขังขืนไปขัดขวางไปต่อต้านไปแก้ไขอะไรมันทำไม่ได้เราหาประโยชน์จากมันอย่างที่มันเป็น ใกล้ๆกับธรรมชาติทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเนี่ยฝนตกแดดออกน้ำท่วมอะไรต่ออะไรต่างๆมันเป็นข้ามันอย่างนั้นเองมันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยถ้าเราไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมั น, นถามมาได้อะไรเราแก้ไขไม่ให้ น้ำท่วมได้ไหมแก้ไขแม้ฝนตกได้ไหมแม่แดดออกได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าน้ำท่วมเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรจากน้ำท่วมเ่นสมมุติว่าในฤ ด, ดูร้อนเนี่ยน้ำเคยแห้งแต่ก็มีบางเดือนบางฤดูที่น้ำมันท่วม เราดูแลงเราก็เตรียมขุดบ่อเอาไว้ก็เก็บน้ําไว้ในระดูน้ำท่วมเรามาใช้สอยในระดูแรงเราก็มีน้ําใช้ในทุกระดูดูน้ําท่วมน้ํามันมากอยู่แล้วดูฝนน้ํามันตกอยู่แล้วระดูแรงไม่มีทั้งฝนทั้งน้ําท่วมเราก็ได้น้ําที่ก็บเก็บไว้ นี่คือเป็นการรู้เห็นามความเป็นจริงแล้วก็ปรับสภาพปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้แล้วก็หารประโยชน์จากสิ่งต้นนั้นได้ทาความเปลี่ยนแปลงอย่าลืกทุงสัตว์เดชานทั้งหลายเช่นพวกมดพวกสัตว์ตัวอื่นเนี่ยเราลองสังเกตว่าเวลาฝนจะตกน้ำจะหลากเนี่ยเธอก็ขนไข่ขึ้นไว้วันที่สูงเดยทั่วไปเธอก็วางไข่อยู่ที่ต่า มันอวรอดปลอดภัยทางน้ําท่วมแล้วก็น้ําไม่ท่วมนั่นก็แสดงว่าสัตว์มันมีความรู้เห็นแต่ความจริงประกันหนึ่งการอรยพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์จากโซนหนึ่งไปหาโซนเดิมของประเทศเกินว่าบ้านเราฤดูหนาวนี่มีสัตว์ต่างๆเป็เดนมากโดยเฉพาะจําพวกนกนี่กินมาจากแถวไซบีเรียจากมองโกเลียจากอ ะ, ะไรๆมาไกลนะเดินทางแร่เดือนกันมา เขามาอยู่ได้พอถึงฤดูการมาเปลี่ยนแปลงไปเขาก็กลับไปเขหาประโยชน์จากฤดูเพราะว่าเขาไม่มีบ้านเรือนไม่มีเสื้อผ้าที่จะข่มที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นธรรมาชาติธรรมชาติล้วนๆฤดูรนาวอยู่ที่ไหนฤดูฝนอยู่ที่ไหนฤดูร้อนอยู่ที่ไหนโดยแก้ปัญหาเรื่องหนาวเรื่องร้อนเรื่องฝนได้แล้วก็ หาประโยชน์จากการครองชีวิตได้อนประเด็นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่าแนวยถาปุตะญาณทัศนาคือรู้เห็นตามความเป็นจริงเนยสัตว์ปีไรชาญเป็นอย่างมากที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นการระแวงภัยของสัตว์ทั้งหลายถ้าเราดูเรื่องชีวิตสัตว์ในทะเลทรายและชีวิตสัตว์ในที่ต่างๆที่เขาถ่ายมาเราจะเห็นลักษณะเด่นของเขาคือเขารู้เห็นตามความจริง การอยู่ยังไงจึงจะไม่เป็นภัยเป็นอันตรายแล้วก็เมื่อมีภัยเมื่ออันตรายในคนจะทำยังไงจึงจะปลอดภัยปลอดอันตรายแกก็ไปบัดตริเคลื่อนไหวไปได้ตามสมควรแก่กรณีนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งในความเป็นจัตเจจายคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าเรามองแล้วมันก็เป็นปฏิกริยาตามธรรมชาติ เราเองเราก็รู้เห็นความเป็นจริงเยอะในแง่ของความจริงนะครับกิจวัตรประจํำวันตั้งแต่เช้าถึงตัวค่ำมันเป็นการสมควรที่จะทําอย่างนั้นสมควรจะลุกขึ้นสมควรจะอาบน้ําสมควรจะเข้าห้องน้ําสมควรจะแปรงฟันสมควรจะขับถ่ายสมควรจะมาร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยสมควรจะรับประทานอาหารไดอะไรเนี่ย มันเป็นการปรับสภาพตัวเองให้เหมาะควรแก่กรณีนั้นนั้นไม่กลายเป็นปัญหาแล้วก็อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้โดยปกติสุขเราจะได้การรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วถ้าเราเอาคุณสมบัติเหล่านี้เข้ามาใช้ในที่อย่างองื่นจะมีนี่เราจะไปไหนมาไหนนี่จะอ้างรถติดแต่ถ้ารถติดเนี่ย เราก็ประมาณการเอาว่าตัวเมื่อ เ, เคยไปสามสิบนาทีตอนนี้รถติดเราก็เผืเวลาไว้อีกสิบห้านาทียี่สิบนาทีมันก็ไปตรงกับเวลาได้แต่บางวันเนี่ยเรารู้ว่ารถมันโง่งวันเสาร์วันอาทิตย์ในรถไม่มากสถานตรงเนี้ยเราเคยไปได้แค่ยีสิบนาทีเท่านั้นเอง วันนี้รถไม่ติดแล้วก็ไปแค่ยี่สิบวินทีในแง่ของความเป็นจริงนะอาตมายังมองว่าแม้แต่การโทรศัพท์การติดต่ออะไรกับคนเนี่ยเรื่องมองดูเวลาก่อนเนี่ยสาคัญที่สุดเราสามารถประมาณการได้ว่าเออเวลาตรงเนี้ยเข า, ยาควรอยู่ที่ไหนเขาสามารถจะรับโทรศัพท์ได้ไหมเขากินข้าวอยู่หรือเปล่า เขาเข้าหองน้ำไหมเขานอนอยู่ไหมคือต้องดูให้ดีทุกครั้งต้องดูในกาแล้วแน่นอนส่วนหนึ่งประมาณการเอาประวัติวัฒรรมของคนนั้นส่วนมากก็คล้ายคลึงกัน น, นะนะคือไม่เคยห่างอะไรกันเท่าไหร่เที่ยนเวลาตั้งสี่ทุ่มแล้วเนี่ยคงจะไม่กินข้าวหรอกแต่ว่าคงไม่นอนหรอกคนทั่วไปนะฮะคนโดยเฉพาะในสายวิชาการเนี่ยในสายวิชาการเราสามารถติดต่อกันได้ถึงเที่ยงคืนะ เกิตั้งคนดังไม่นอนแล้วก็ติดต่อกันได้พงกนักวิจ า, ารณ์จะนอนน้อยผู้คา้านักธุรกิจทั้งหลายนี่จะนอนหัวค่ำเราจะเห็นว่าขนาดสีุ่่มสองยามไปแล้วเนี่ยคงจะโทรไม่ไดอ้อันนี้ก็เป็นการใช้ความรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็หาประโยชน์จากความรู้เห็นเหล่านั้นได้ แนวธรรมะนั้นทรงสอนเป็นตามลำดับเหมือนเดิมนะฮะว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างคามธรรมะในที่นี้ก็คือพชชมแต่ละข้อนะฮะแต่ละข้อเช่นโดยเห็นสติภายในจิตโดยเห็นธรรมวิจริยะเห็นสติ ที่อยู่ด้วยกันไปทํางานควบคู่ด้วยกันส่วนการมองเห็นธรรมะอยู่ในธรรมะธรรมะหนึ่งก็คือจิตธรรมะหนึ่งก็คือพวกเจตสิกก็ปรากฏอยู่ภายในจิตหรือว่าธรรมะกับธรรมะเองธรรมะกับธรรมะเองที่ปรากฏอยู่ด้วยกันอยู่ในธรรมะเหล่านั้นพิจารณาเห็นธรรมในธรรมที่เป็นภายนอก นะเราจะเห็นว่าอาการของธรรมะทั้งหลายที่มีอยู่ในภายนอกที่อยู่ภายในจิตของคนอื่นแล้วแสดงออกมาโดยการกระทาโดยการพูดโดยพฤติกรรมทางกายทางวาจาแสดงว่ามีธรรมะอยู่ภายในใจของเขาคนนั้นก็ทำอย่างมีสติคนนั้นก็มีทำอย่างมีความเพียรคนนั้นก็ทำอย่างมีสมาธิอะไรต่ออะไรไหมเราก็สามารถเห็นอาการของธรรมะเหล่านั้นได้ อย่างยกตปวยอย่างอุปติสสะปริภัยโชคท่านเดินไปแล้วก็ไปเห็นพระอัจฉริเทระซึ่งเป็นพระหันยุคแรกนะฮะพวกปัญญวกคีพวกยุคพระธันปัญญวิคีท่านมองจากข้างนอกนะฮจากอาการสงบข้างนอกจากการก้าวไปคู่ไปการเดียดแขนการเดินการเหื่อต่างต่างท่าน มันแสดงว่ามีญาณอยู่ภายในมีตัวความรู้อยู่ภายในมีสติสัมปชัญญะอยู่ภายในตัวหมายความว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาจะต้องเป็นพระหันรูปใดรูปหนึ่งหรือเป็นสาวกของพระหันรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็ปักใจความใจหรืออุปกาปริภายชกเห็นว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จพุทธดำเนินมาตอนนั้นยังไม่ได้แสดงธรรมะ เพ้นและท่านก็นคิดทันทีมันภาพทางบุคลิกลักษณะต่างๆที่ปรากฏมันแสดงถึงความส ง, งบภายในที่ลึกซึ้งมาเป็นตะบะเดชะแก่ความเยือเกเย็นที่มีอยู่ในภายในเพราะงานเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภายในจิตแต่เราก็ไม่รู้จิตเขาเหรอก เปียนแต่ว่าอาการทึ่งปรากฏอยู่ข้างนอกอาการทางกายทางวา จ, จามันสะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึคิดภายในจิตของเขาว่าเขามีอะไรเขาเป็นอะไรแต่แน่นอนถ้าเราสังเกตจับมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากพูดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งได้ปากปสัสไยใจเชิดคอได้มือถือศาส์ปากถือศีนได้ ปากหวานคนเปรี้ยวได้ต่อหน้ามาพระกับหลังตะโกได้ซ่อนดาบในรอยยิ้มได้อันเป็นอาการของมารลยาเซซังโออวดแข็งดีถือตัวดูมินก็มีการสังเกตให้ลึกซึ้งลงไปซึ่งบางครั้งเนี่ยแม้อาการดีเคร่งครัด ในการได้เคร่งครับแต่มันผิดปกติมันเบอ้อเกินเหตุไปมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรไว้วางใจอย่างพระโพธิสัตว์เคยไปที่บ้านของเกอ้าบดีคนหนึ่งเกล้าบดีคนนั้นเนี่ยเขาฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้กับราบทคือไปฝังไว้ใต้อสมของราบท เป็ดว่าดาบบทท่านไม่ลบท่านสละแล้วโดยประการทั้งปวงก็วางใจท่านได้วันหนึ่งดาบบทฉันอาหารที่บ้านของเธอบดีแล้วก็ย้อนกลับมาบอกว่าตอนท่านลอดศีระลงไปเนี่ยแฟกที่มุงหลังคาปาลามะ ติดชดาท่านไปกลัวจะเป็นบาปกลัวจะเป็นอันตรนาทานเพระเาะงั้นก็เอามาคืนซะก่อนมรราการที่สแสดงออกมันเป็นการโอ้อวดมันไม่ใช่เป็นอาการซึ่งบบของคนที่มีธมรรมะแล้วโพธิสัตว์ก็สอบถามว่าคุณเกี่ยวข้องอะไรกับท่านพอเครือบดีก็บอกว่าเขาฝังเงินขวัดทองไว้กับท่าน เล้วฝังไว้ที่าสมความตันก็กลัวตจวผู้ไร่ผู้สัตว์ก็บอกให้รีบไปดูอ่มันดา บ, บทนี้มากเกินไปคือเคร่งมากเกินไปมันไม่เหยียดผลเพราะว่ากรรมนั้นอยู่ที่เจตนาคือความจงใจที่จะลักอันนี้ของมันติดไปจะทำยังไงเหมือนเราเดินโครนเนี่ยเราเดินดินโครนเนี่ย มตัตเดินผ่านหน้าบ้านนายคอมันก็เหยียบติดดินดินบ้านนายคอไปด้วยแหละเราไปหลุดหล่นอยู่บ้านนายคอแล้วก็ไปติดต่อบ้านนายคอะอะ้รแต่ไรก็ไม่รู้มันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลักขโมยอะไรของใครซึ่งก็ไม่มีใครจะไปคิดว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการลักขโมยก็จึงไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไร เพราะแนวอาการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการมองธรรมะจากใจแต่ว่าเราก็สามารถศึกษาจากเครื่องข้างนอกได้นะฮะจากคนอื่นได้แต่พวกนี้จะเป็นตัวกระตุน้นก็เรียกว่าเกิดศรัทธาปะสาทะกระตุ้นให้เกิดศรัทธาปะสาทะหรือเกิดการระมัดระวังตามส่งควรแ ก, ะกะ่กันนี้แล้วก็ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอก นะคือหมายความว่าธรรมที่ปรากฏแก่ตัวเราธรรมที่ปรากฏแก่บุคคลอื่นธรรมที่อยู่ภายในใจเราธรรมที่อยู่นอกใจเรานะเพราะว่าจริงๆธรรมะเนี่ยปรากฏแก่จิตได้เพียงลัเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงเพียงพียงเพียงเพียงี่เป็นกุศีธง ร, รมทั้งหมดกุรรเพียรเีเพี่งเพียงเพียงเพียงเพียเกิดงเพียงเ้ียงเพียงเียงเพียงเพียงเพีว ง, วงววเพียงเพียงจพียงเียงาพียงเพียงเพียงเพียเ ก็คือไม่เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นเช็นสมมติว่าสติสัมโพชงเนี่เกิดแล้วทำให้จิตเรามีสติสามารถกระจัดสติสมมุติสายความลงลืมเลอเลือนของสติได้พอมาถึงคำว่าม่จะยเกิดมันก็จะมีปัญญาปรากฏขึ้นมา เราทาเสริมสติแล้วสติก็มาเสริมปัญญาอันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเป็นการเราลึกรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นชัดเจนแจ่แจ้งมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้าง หมายความกระบวนการต้องทำมานั้นเขาเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเพื่อสังคตรธรรมนะฮะธรรมทีปัจจัยมันปรุงแต่งมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ดํารงอยู่ได้แตกสลายไปได้ก็เสื่อมสลายไปได้ก็เป็นธรรมดาว่าเขาเกิดแล้วเขเป็นอย่างเนี้ยเช่นเราเไปสัมผัสปิติมาพอปิติบังเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าต่อไปนี่จะเป็นอะไร แล้ว เ, เกิดโทสะเกิดเกิดโทสะมาพอโทสะมันเกิดขึ้นเราก็คิดว่าต่อไปนี่จะเป็นยังไงทําให้ควบคุมแก้ไขเนี่ยที่ธรรมะนี่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นน่ะเขาเกิดขึ้นแก่ใคไม่สําคัญน่ะเมื่ออาการนองเลี้ยงกันตอนโตธรรมะที่จริงเขาไม่มีชื่อเลยทําไปกือชื่อเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้สมมติว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนจีนเนี่ย ชื่อธรรมะมันก็เรียกเป็นภาษาจีนถูงสมมติบรรยัญญติโดยภาษาจีนพระเจ้าเป็นฝรั่งก็สมมุติบัญญัติเรียกเป็นฝรั่งแต่ตัวสภาวะตัวเนื้อหาของเขาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ทําให้เห็นว่าธรรมดาของเขาเป็นอย่างนี้เองที่เราไม่ยอมรับเข้าใจเนี่ยเาลองสังเกตว่าอย่าปัญหาเรื่องความ แก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดสูญเสียเป็นปัญหาปกติธรรมดาคน้ะกี่พันล้านคนมาแล้วที่เกิดในโลกนี้แล้วก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่เราประสบแต่เขาก็เข้าถึงธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันเราไม่พราดพาดจากเขาเขาก็พราดพลาดจากเรา ไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดนิรันดร์วันปัญญาก็จะเกิดรู้เท่าทันมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเอวังธรรมโมธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเอวังภาวภาวะมันเป็นอย่างนั้นเอวังอนัตติโตไ ม, ม, ม่มีใครจะร่วมพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ทุกชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอง จากนั้นก็พิจารณาธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างคือดูอาการเกิดขึ้นดูการตั้งอยู่ดูการเสื่อมไปของธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลางโครงสร้างเดียวกันนะฮะเราจะเห็นว่าใช้โครงสร้างเดียวกันเปลี่ยนเฉพาะประธานคือทําที่เป็นกุศลก็มีทําได้เป็นอกุศลก็มีทําที่เป็นกลางกลางก็มีเวลาพูดถึงกายก็พูดอย่างเนี้ยเวลาพูดถึงจิตก็พูดอย่างนี้เวทนาก็พูดอย่างงี้ คือแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างนั้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นดำรงอยู่เสื่อมสลายแตกทาลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตามปกติแล้วใจคนจะไปยธ์มั่นเอาจริงาจังต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมาแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ย เมื่อเรามองเห็นว่าธรรมะเขาเป็ี่ยนขเขาอย่างนี้เองตอนกสติที่ว่าธรรมะนั้นมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เถิดนั้นก็เพียงศัก์แต่ว่าเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นของเราจริงไม่ใช่เป็นเราจริงไม่ใช่เป็นตัวตนของเราจริง ธรรมะที่บ่งอยู่ถาวรไม่แปรผันคือคงที่เนี่ยเมื่อบรรลุมรรผลเป็นประยะิยมเป็นปริยะบุคคลแล้วเท่นั้นเองเพราะว่าตั้งเข้าถึงวิสังขารคือไม่มีปฏิปุ่งแปลงแต่ว่าที่เกิดขึ้นแก่สามัญชนก็เป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงแปรปวนแปรผันไปเรื่อยๆตามสฐานะของเขา ควารู้สึกต่อตั้งแต่ต้นมานะฮะตั้งกายเวท น, นาจิตธรรมเนี่ยแล้วในสุดก็จะรู้สึกว่ามันก็กายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นดำรงอยู่เสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน จิตใจเขาก็จะไม่ยึดมั่นถรือมั่นไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกับกายจนเกินไปมันเป็นการปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้หนาวอยู่ยังไงได้ร้อนอยู่ยังไงได้ฝนตกอยู่ยังไงได้แดดออกอยู่ยังไงได้น้ำหลากอยู่ยังไงได้ให้อยู่ให้ได้นะฮะเราไปแก้ข้างนอกไม่ได้แต่ว่าพวกนี้เอากระจิงมาเป็นของชั่วคราว เป็นของดำรงอยู่ตั้งอยู่เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวต่นนั้นเองในสุดจิตใจก็นั่นปล่อยวางเวทนาเมื่อก็สักตัวเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เป็นเพียงสักตัวเวทนาท่า น, นั้นเองพอมาถึงจิตมันก็เป็นอย่างนั้น มาถึงธรรมะทั้งหลายที่กล่าวมาโดยดำดับเราจะเห็นว่ามีทั้งเป็นกลางกลางเป็นอกุศลเป็นกุศลธรรมะเขาก็เป็นเขา อ, อย่างนั้นมายาสัตว์บุคคลตัวตนโรกเขาเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นหลักการในการพินิจพิจารณาเป็นการนำเสนอในแนวที่ให้เลือกเอา เจ้าก็สมจจำแนกแสดงเราจะเห็นว่าถ้าเราแยกประเภทแล้วในหมาสติปัฏฐานนี่มีถึงประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่หมวดด้วยกัน21หัวข้อด้วยกันแต่ละหัวข้อนั้นก็เป็นจุดมีจุดบรรจบด้วยกันคือสัตานางอุสุตยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย โศกไปเดวานังสมาธิกามยาพเพื่อก้าวล่วงโศกและโสมนัติทุกและโทมณัตออกไปแล้วก็การดับไปของทุกขของโทมณัตทั้งหลายเนี่ยแต่ที่มันเกิดขึ้นมันยังดำรงอยู่มันมีที่ผลเหนื้อใจาวาใจออกไปยึดมั่นถึกมัน่นตอนแนตวตรงนี้ทั้งหมดได้ลองสังเกตว่าจบลงที่ไม่ให้ยึดมั่นถึกมัน่น อย่าไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นรัเป็นตนของเราจริงๆยอมรับในแง่สมมติบัญญัติเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นเขาให้เป็นก็เล่นบทเป็นให้ได้เขาไม่ให้เป็นก็ไม่ต้องเล่นบทนั้นก็ไปเล่นบทอื่นไปเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเราก็ทำอย่างที่เราทำ โดยรู้เท่าทันว่าบางครั้งนี่มันเป็นเรื่องสั้นๆคล้ายๆกับพวกแสดงละครนะฮะแสดงบางทีก็ไม่กี่นาทีแล้วแต่ตอนนั้นเขาบอกให้แสดงอย่างนั้นก็แสดงอย่างนั้นเนี่ยแสดงจบมันก็จบเมื่อถึงบทบาทอื่นที่ต้องแสดงต่อไปก็แสดงต่อไปเอถึงจบก็จบอีกแหละนี่คือคือเป็นหลักการที่ ทรงสอนในภาคของการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นทั้งความเป็นจริงตามกลางจิตใจที่ยึดมั่นหรือมั่นในสัตว์และในสังขารทั้งหลายต้องฟังเท่าไรแต่รุ่งโมกติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี